ในคาถานะครับในคาถาคาถานี้กล่าวว่าที่พระ อ, องค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าวิตกสองประการของพระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ครอบงํา ม, มารอันผู้อื่นไม่พึงครอบงําได้ย่อมเป็นไปเนืองๆพระตถาคตผู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นได้แสดงเขมวิตกข้อที่หนึ่งลำดับนั้นได้ประกาศวิเวกวิตกข้อที่สอง เรากล่าวมุนีผู้บรรเทาความมืดผู้ถึงฝั่งผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่หลวงผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงตรงนี้ก็เป็นถ้อยคำพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้านะครับว่าพระองค์นี้เป็นผู้มีความชนานาญผู้ไม่มีอาสวะผู้ข้ามพ้นวัตทุกข์อันเป็นยาพิษผู้น้อมไปแล้วในธรรมะเป็นที่สิ้นปลายแห่งตันหา ผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนั่นแล้วว่าผู้ละมานผู้ถึงฝั่งแห่งชราพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีมีพระจักสุรอบครอบผู้ปราศจากความโศกขึ้นสู่ปราศาสอันสำเร็จด้วยปัญญานะคือธรรมะเนี่ยนะย่อมพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ยังข้ามความโศกไม่ได้ผู้ถูกชาตและชราครอบงา เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนยอดภูเขาหินเพิ่งเห็นหมูชนได้โดยรอบฉะนั้นนะครับอันนี้ก็กล่าวถึงการเจริญกรุณากล่าวถึงพระองค์นี้ประกาศถึงวิตกสองอย่างและพระองค์นี้มีคุณธรรมอะไรบ้างอ่าเมื่อพระองค์มีคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ก็เจริญเมตตาเจริญกรุณานะแล้วก็พิจารณาถึงหมูสัตว์ที่ยังข้ามพ้นวัตรทุกข์ไม่ได้นะครับ เพราะนั้นต่อไปขยายคําว่าพุทธังนะครับขยายในคาถาบทว่าพุทธังความว่าชื่อว่าพุทธะเพราะตรัสรู้พุทธะนี่ตรัสรู้อะไรครับรรครับก็บอกว่าเพราะแทงตลอดธรรมะอันไม่ผิดไปจากอริยรรสัจสี่ว่า ง, งั้นด้วยสยาภูญานนะก็คือตรัสรู้อริยสัจสีโดยที่ไม่ผิดพลาดเลยนะครับแล้วด้วยตัวเองด้วยนะเพราะไม่มียายธรรมนอกจากสัจธรรม คือไม่มีอะไรที่จะต้องรู้เกินกว่าอริยสัจนะครับเพราะว่าในบรรดาธรรมะทั้งหมดก็ประมวลลงในอริยสัจนั่นแหละนะครับสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอภิญยยังอภิญญาตังภาเวตพันจภาวิตังปหาตพังปหฮีนางเมตัสมาพุทโธสมิบรมณนะดูก่อนพราหมณ์กิจที่ควรรู้ยิ่งเรารู้แล้ว กิจที่ควรเจริญเราเจริญแล้วกิจที่ควรละเราได้ละแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธคือกิจที่ควรรู้ยิ่งคือวิชาวิมุตต์เนี่ยพระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วกิจที่ควรเจริญคืออริยมรรคเนี่ยพระองค์ก็เจริญหมดแล้วกิจที่ควรละคือสมุทัยศาสตร์เนี่ยนะครับพระองค์ก็ละหมดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพุทธนะครับเอาใหม่นะกิจที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วเป็นชื่อของวิชาและวิมุตต์นะครับ พระองค์นี่รู้ยิ่งหมดแล้วกิจที่ควรเจริญคืออริยมรรคพระองค์ก็เจริญแล้วกิจที่ควรละคือสมุทยสัตว์ทั้งหมดเนี่ยครับพระองค์ก็ละแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าพุทธะนะครับนั้นก็คือรู้อริยสัตมนั่นเองนะครับเพราะถ้าให้กําหนดรู้แล้วก็ละไม่ได้ถ้าไม่กําหนดรู้แล้วก็เจริญไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวแท้เจริญกับละก็ เพราให้แจ้งกับ ป, ป, ป, ป, ป, ปริญญาก็เท่ากับแสดงแล้วแสดงเน้นกิจสองอย่างนะครับ<อ>พันกิจของอริยาศาสตร์มี4ใช่ไหมครับหนึ่งปริญญาสองปารนะสามสัจจิกาตาภะสี่ภ า, า, าวนาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะแสดงแค่สองอย่างก็พอคือแสดงเฉพาะภาวนากับปหารนะนะครับเพราะฉะนั้นปริญญากับสัจชิกาก็เท่ากับกล่าวแล้วพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าผู้ขมมนันอันผู้อื่นขมไม่ได้ เพราะอดกลัน้นเพราะนําไปซึ่งพระโพธิสมภารและพระมหากรุณาที่คุณทั้งสิน้นอันผู้อื่นข่มไม่ได้นะครับผู้ที่จะปฏิบัติได้แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแต่พระโพธิสัตว์ผู้บําเพ็ญบารมีแบบนี้เท่านั้นนะครับคนอื่นไม่สามารถที่จะทําได้หรอกครับลักษณะที่ว่านี้อันหนึ่งเพราะอดกลัน้นเพราะครอบงํามานทั้งห้านะครับอันผู้อื่นข่มไม่ได้ เพราะยากเพื่อจะอดกลั้นเพื่อจะครอบงําเพราะอดกลั้นเพราะนําไปซึ่งพุทธกิจอันผู้อื่นข่มไม่ได้นะครับคืออันได้แก่การพร่ำสอนด้วยทิฏฐธรรมมิตรฐประโยชน์สัมปรายิกรฐประโยชน์และประมัทธประโยชน์แก่เราเวนยสัตว์ตามสมควรด้วยการตรัสรู้แจ้งมีอาสัยะอนุสยะจริยาอธิมุตเป็นต้นหรือเพระาะประกาศสาธุการในพุทธกิจนั้น เพราะคนอื่นเว้นพระโพธิสัตว์ไม่สามารถเพื่อจะอดกลั้นนําไปได้นะครับคือกล่าวถึงว่ากิจที่สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแลวใช่ไหครับในการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเมื่อบาเพ็ญบารมีทั้งหลายจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องทากิจ ด, ด้วยความภาพเพียรอันใหญ่อีก คือพุ้ธกิจนะครับคือกิจในการตามประกาศสอนประยโระยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแล้วสอนนี่ก็ต้องสอนตามอั ธ, าธยาศัยสอนตามอนุสัยสอนตามจริตสอนตามอธิมุตนะครับตามความเหมาะสมของสัตว์ทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระธรรมคําสอนเนี่ยไปที่ไหนไม่ได้แสดงสูตรเดียวไม่ให้ไปที่ไหนก็สติประญานสูตรสูตรเดียวทุกแห่งไม่ใช่นะครับพระองค์ก็สแสดงธรรมะให้เหมาะกับจริญเหมาะกับอัธยาศัยเหมาะกับอนุสัย เหมาะกับการสั่งสมอบรมอินทรีย์มานะครับผมก็จะแสะดงตามความเหมาะสม น, นะแล้วก็สัตว์เหล่านั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็จะได้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคือการพันิพานนะครับพระมุนีชื่อว่าตะโมนุทะนะครับเพราะบรรเทาคือสัตว์ซึ่งอันตรการ คือโมหะกล่าวคือความมืดในสันดานของตนและผู้อื่นพระองค์นี้บรรเทาความมืดในของพระองค์ได้หมดแล้วนะครับผู้มีความสว่างรอบด้านและในขณะเดียวกันก็สอนให้ผู้อื่นเนี่ยสว่างด้วยนะครับเช่นสอนให้พระอัครส า, าวกเป็นต้นสว่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพระมุนีชื่อว่าปารคตะเพราะถึงฝั่งคือพระนิพพานอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปารคตะเพราะถึงฝั่งคือที่สุดแห่งสังสารทุกข์ทั้งสิ้นนะครับ อันเป็นอภินิหารใหญ่ซึ่งเป็นไปแล้วโดยในเมียที่ว่าคือพระ อ, องค์เนี่ยชั้นต้นนะครับปรารถนาฝั่งที่เป็นที่พ้นแห่งสังสารทุกข์แล้วในขณะที่ปรารถนาก็ไม่ได้ปราถนาเพื่อจะตรัสรู้คนเดียวว่างั้นว่ามุตโตโมเจสามิเราพ้นแล้วจะให้สัตว์พ้นบ้างดังนี้ถ้าถึงฝั่งนะจะค้นให้คนอื่นถึงฝั่งด้วยว่างั้นหรือคุณแห่งพระสัพพันธ์อยู่ทั้งหลายพระมุนีนั้นผู้บรรเทาความมืด พูดถึงฝั่งอธิบายว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงคุณอันถึงจากการถึงฝั่งนั้นนั่นเองคือถึงคุณทั้งปวงมีศีลเป็นต้นและมีทศพลยานเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงคือเมื่อพระองค์ถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยนะครับโดยความเป็นอรรมณปัจจัยของมรรคจิตและผลจิตโดยเฉพาะอารหัตตมรรคและอรหัตตผลคุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญา วิมุตติยานทัศนะนะครับโทศพลยานอนาวรณญยานจตุเวสารัญพยานทั้งหลายอื่นอีกมหาสารก็ติดตามมาจนถึงที่เรียกว่าสัพพัญยุตยานก็ดําเนินไปนะครับแล้วพอพระองค์มียานเหล่านี้แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงเริ่มประกาศธรรมประกาศข้อแรกว่าทับเรียกว่าธรรมจักรเป็นต้นนะครับเพื่อหมุนพระธรรมเหล่านั้นให้สัตว์อื่นๆได้ตรัสรู้ตามนะครับแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามนั่นแหละเรียกว่าสาวกของพระ อ, องค์นะครับ บอกว่าวสิมังความว่าพระมุนีชื่อว่าวสิมาเพราะมีความเป็นผู้ชำนาญมีอาวัชณะเป็นต้นอย่างยิ่งนะครับคือกล่าวถึงวสีนั่นเองนะวสิมาก็คือวสีนั่นเองนะครับอันเนื่องด้วยความหวังในฌานเป็นต้นนะครับและความเป็นผู้ชำนาญทางจิตอันไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นอันได้แก่ฤทธิ์อันเป็นอริยะพระมุนีนั้นมีความชนานาญ คือมีความชํานาญในการนึกนะครอาวชนะเนี่ยชำนาญในการนึกแล้วก็ชํานาญในการเข้าชํานาญในการตั้งอยู่ชํานาญในการออกแล้วก็ออกแล้วก็ชํานาญในการพิจรารณาฌานทั้งหลายเหล่านั้นนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะปฐมฌานอย่างเดียวนะทั้งทุติยะฌานเป็นต้นนะครับฌานทุกฌานเนี่ยพระองค์ชํานาญในการพิจารณาทั้งหมดเลย <OF. S 2> เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าวสิมาผู้ชํานาญผู้ชํานาญในการพิจารณาสมาบัติทุกชนิดนะครับ พระมุนีนี้ชื่อว่าอนาสวะนะครับพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่าอนาสวะเพราะไม่มีอาสวะคือการมาสวะเป็นต้นนะครับเพราะองค์นี้ตามองเห็นไม่มีโลภะเลยนะครับที่เรียกว่ากามาสวะไม่มีทิฏฐาสวะเลยไม่มีภวาสวะไม่มีอวิชชาสวะเลยนะครับเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรู้รสเนี่ยนะแม้กระทั่งใจนึกคิดทุกๆอารมณ์เนี่ยนะไม่มีอาสวะแทรกอยู่กับความคิดในทุกๆอารมณ์นั้นๆเลย เนื่องจะปฏิบัติเพื่อกําจัดอาสะวะเหล่านั้นได้หมดสิ้นแล้วพระมุนีชื่อว่าวิสังตะระ เ, เพราะละความไม่เป็นระเบียบมีความไม่เป็นระเบียบทางกายเป็นต้นนะครับคือหมายถึงว่าไอ้ความไม่เรียบร้อยทางกายที่ไปทุ่ศีลเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีแล้ว ความไม่เรียบร้อยทางกายไม่เรียบร้อยทางวาจาความไม่เรียบร้อยทางใจเนี่ยไม่มีสักอย่างเหมือนนเถอะสรุปแล้วทุกอย่างเป็นระเบียบหมดเหมนกันคําว่าระเบียบในที่นี้ไม่ใช่เหมือนผ้า พ, พับนะครับแต่หมายถึงลักษณะว่าไม่มีโทษคือโลภะเป็นต้นไปทําให้เสียหายเลยนะครับหรือเพราะข้ามมนทินคือกิเลส ท, ทั้งปวงกล่าวคือยาพิษหรือข้ามภายัยอันเป็นทุกข์ในวัตะทั้งสิ้นอันเป็นยาพิษแล้วข้ามไป พระมุนีนั้นผู้ข้ามวัตทุกข์อันเป็นยาพิษพระมุนีผู้น้อมไปแล้วในพระอรหัตตผลและนิพพานอันเป็นที่สิ้นตัณหานะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าวิสันตะนี่นะครับหมายถึงพระองค์เนี่ยเป็นผู้น้อมจิตไปในพระนิพพานนะครับน้อมจิตไปในอรหัตผลโดยที่อรหัตผลมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองนะครับเชื่อว่ามุนีพระประกอบด้วยความดีเยี่ยมด้วยญาณ นะมุนีก็คือโมเนยะใช่ไหมครับความดีเยี่ยมด้วยยางคือความเป็นผู้นิ่งหรือด้วยความเป็นผู้นิ่งทางกายเป็นต้นเพราะไปในอรหัตผลและนิพพานอันมุนีในที่นี้หมายถึงมุนีมุ น, มนีนะครับผู้เป็นมุนีของมูนีทั้งหลายเนี่ยนะโดยที่เข้าผลสมาบัตินะครับคืออรหัตผลสมาบัติโดยที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับจึงจะเรียกว่าคนนิ่งจริงๆนะครับ นนะกายไม่ขยับเป็นตัวน่ะ น, นิ่งยิงๆเขาบอกว่าถ้าเข้าระดับจตุทชาณนี่ไม่หายใจด้วยนะครับไม่หายใจนะครับร่างกายเนี่ยไม่หายใจนะครั บ, รบแต่อรหัสผลก็ทําจิตตชรูปนะีแต่ก็ไม่หายใจที่ท่านไม่หายใจเนี่ยไม่ทราบว่าเพราะความละเอียดของจิตหรือเพราะมีเหตุผลอะไร ธรรมดาครับเนื่องจากอย่างเช่นเป็นของธรรมดาเช่นท่าปฐมฌานก็ละนิวรนณะ์ถ้าทุติยฌานเนี่ยละละวิตกวิจารณนะครับโดยจะตกกันไหนนะถ้าจะตกท่าฌานเนี่ยนะครับดับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะครับถ้าสัญญาเวตาญิตานิโรธจึงจะละสัญญาและเวทนาอันนี้เป็นการดับตามลําดับชั้นนะครับถ้าวิตกวิจารเนี่ยนะวิตกวิจารณ์นี้เรียกว่าวาจีสังขาร มันเข้าทุติยะฌานปจีสังขารก็ดับโดยธรรมชาตินะครับถ้าเข้าจตุทัชฌานก็ดับกายยะสังขารคือลมหายใจเข้าออกนะถ้าเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัติก็จะดับสัญญาและเวทนาได้หมดอันนี้เป็นของธรรมดาครับเป็นของธรรมดาของสมาบัติทั้งหลายเป็นอาจินไต้เลยครับผมชานวิสัยก็เป็นอาจินไต้นะครับคนที่ยังไม่ได้ฌานก็อย่าเพิ่งคิดนะครับถ้าได้แล้วค่อยคิดก็ได้นะครับ ก็ยังไม่สายอะไรนะครับเพราะนี้บ่ายแล้วบทว่ามุนีความว่ามุนีนี่มีหลายอย่างคืออาคาริยมุนีนะครับอนาคาริยมุนีเสขมุนีอเสขมุนีปเจกามุนีแล้วก็มุนิมุนีนะครับในมุนีเหล่านั้นคืหัสผู้บรรลุผลผู้รู้แจ้งคำสอนชื่อว่าอาคารามุนีนะครับ เช่นอนาถบินิกะเศรษฐีนางวิสาขาจิตตาคือหาบดีวิสาขาอุบาสกเป็นต้นเนี่ยนะครับเรียกว่าอาคารามุนีมุนีผู้อยู่ครองเรือนส่วนบนรรพชิตเช่นเดียวกันนะครับบรรพชิตผู้บรรลุผลทั้งหลายเรียกว่าอนาคาริยามุนีเช่นพระอนนท์พระอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับส่วนพระเสขเจ็ดพวกชื่อว่าเสขมุนีส่วนพระขีณาศพคือพระอระหันชื่อว่าอาเสขามุนี พระประเจกับพุทธเจ้าชื่อว่าปัจเจกัมมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ามุนีมุนีในที่นี้หมายเอาพระมุนีมุนีนะครับคือมุนีพระของมุนีทั้งหลายนะสุดยอดของมุนีนะมุนีนั้นชื่อว่าอันติมเทหะตารีเพราะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดคือสุดท้ายเพราะไม่มีพบใหม่อีกต่อไปนะครับไม่มีปฏิสนธิในพบใหม่นะ ขนาดนั้นบางท่านก็ยังเข้าใจว่าเออเป็นพผ้ารหันแล้วถ้าท่านอยากเกิดอีกท่านก็จะเกิดอีกเหมือนันว้ายังว่ายังมีกิเลสอยู่อย่างนั้นอ่ะพระมุนีนั้นผู้ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดนะครับพระมุนีชื่อว่ามาราชหะนะครับเพราะสละกิเลสมานเป็นต้นได้โดยชอบมุนีนี้ชื่อว่าปารคูเพราะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาราทั้งปวงมีชาราปรากฏเป็นต้นด้วยบรรลุอนุ ป, ปาทิเศสนิพานเพราะตัดขาด เหตุแห่งชราเสียได้ก็ในที่นี้ท่านกล่าวถึงการถึงฝั่งแห่งชาติมรณะโสกะเป็นต้นด้วยหัวข้อแห่งชราครับคือพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่พ้นจากความเกิดนะเพราะไม่มีขันห้าเกิดเพตอนเมื่อไม่มีขันห้าเกิดก็ไม่มีขันห้าชราไม่มีโสกปริเทวะอะไรเลยนะครับเชื่อมความว่า เรากล่าวว่าวิตกสองประการของพระตถ า, าคตผู้เป็นอย่างนั้นผู้เป็นอย่างนั้นย่อมเป็นไปเนืองๆด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิตกสองประการด้วยคาถาที่หนึ่งจากนั้นทรงประกาศวิเวกาวิตกด้วยคาถาที่สองบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงเขมาวิตกจึงตรัสคาถาที่สนะครับที่ว่าพระองค์นี่นะครับขึ้นอยู่บนปราศาสหินเนี่ยนะครับแล้วมองไปโดยรบอบนะ ในบทว่าเสเลยถาปพัตตมุทะนิทิโตได้แก่เปรียบเหมือนบุรุษยืนอยู่บนยอดภูเขาทึบลูกเดียวสําเร็จด้วยหินนะเหมือนกับยืนอยู่บนปราสาทหินหรือว่าเขาหินเนี่ยนะเมื่อยืนอยู่บนภูเขานั้นไม่มีการยกคอตั้งและเหยียดมือเป็นต้นบทว่าตาถูประมังคือเปรียบด้วยภูเขาหินอันเทียบกันได้กับผู้มีปัญญานั้นถ้าหากว่า พึงทราบความสังเขปในข้อนั้นดังนี้ว่าอธิบายโดยย่อว่าบุรุษผู้มีจักสูรนี่นะครับยืนอยู่บนยอดภูเขาหินพึงเห็นหมู่ชนโดยรอบฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีปัญญาดีคือมีปัญญางามมีพระจักสูรอบครอบด้วยพระสัพพัญญุตยานขึ้นสู่ปราศาสตร์อันสำเร็จด้วยธรรมะคือสำเร็จด้วยปัญญาผู้ปราศจากความโศกนะครับไม่เศร้าโศกเสีรรยใจสักอย่าง ย่อมพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองถึงหมูสัตว์ผู้ยังข้ามความโศกไม่ได้ผู้ถูกชาติชาราครอบงำนะครับคือพระองค์นี้ข้ามพ้นหมดนะครับแต่ว่าหมูสัตว์เนี่ยนะยังถูกชาติชาราครอบงำแล้วพระองค์พิจารณามองเห็นหมดเลยในหัวข้อนี้มีอธิบายดังต่อไปนี้เหมือนอย่างว่านะครับบุรุษทํานากว้างใหญ่โดยรอบที่เชิงภูเขาแล้วปลูกกระท่อมแนวทุ่งนะครับที่นานั้น พึงก่อไฟตอนกลางคืนนะปรากฏความมืดประกอบด้วยองค์สีที่นั้นเมื่อบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนยอดภูเขาแลดูภูมิประเทศนาไม่ปรากฏแนวทุ่งไม่ปรากฏกระท่อมไม่ปรากฏคนนอนในที่นั้นไม่ปรากฏพึงปรากฏเพียงเปลวไฟที่กระท่อมเท่านั้นฉันใดเมื่อพระตถาคตขึ้นสู่ปราศาส์สำเร็จด้วยธรรม ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ก็ฉะนั้นสัตว์ที่ไม่ได้ทำความดีแม้นั่งในที่ข้างขวาในวิหารเดียวกันก็ไม่ได้มาสู่คลองแห่งพุทธยาณว่ามองโบหันย่าง น, น, นั้นเลยเป็นดุลลูกศรที่ซัดไปในตอนกลางคืนแต่เวนยยบุคคลผู้ทำความดีคือผู้มีบุญเก่าสะสมบุญมาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเ น, นี่นะครับแม้ยืนอยู่ในที่ไกลก็มาสู่คลองของพระตถาคต ดุดไฟดุดภูเขาหิมพันธ์นะครับเหมือนกับที่พระ อ, องค์ตรัสว่าทูเรสันโตประกาเสนติหิมะวันตวโตจะปปะพโตอาสันเตทะนทิสันติรัตติงคิตตายะทาสราสัตว์บุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลดุดภูเขาหิมพันธ์อาสัตบุรุษย่อมไม่ปรากฏในที่นี้เหมือนลูกศรที่ซัดไปในเวลากลางคืน เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้สะสมบุญเก่ามานี่นะครับถึงจะอยู่รอบๆอบวัดรอบๆบกุฏิหรือรอบๆ บ, บเตียงพักนี่นะครับก็มองไม่เห็นเพราะไม่รู้จะสงเคราะห์ธรรมะอะไรนะครับเหมือนกับว่าจะให้น้ําใครก็หมายถึงผู้มีภาชนะรองรับแล้วนะครับเหมือนกับจะให้น้ํามันราชสีนี่นะครับน้ํามันที่ซึมออกง่ายมากเนี่ยนะ ก็มีแต่คนมีแต่กะละมังรั่วมาเนี่ยนะครับจะไปใส่ให้เขาตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้สะสมบุญบารมีไม่ได้สะสมคุณงามความดีเจริญบุญเจริญกุศลมามากก็ยากที่จะรับพระธรรมคําคสอนได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสอนแล้วไม่มีประโยชน์แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ฉลาดจริงสิครับ<อ>ถ้าไปเที่ยวสอนให้ก่คนโง่เนี่ยนะคนบ้าคนใบ้คนฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็นั่งดายอย่างเดียวเนี่ยนะซึ่งเขาก็ไม่ได้รับเอาไปปฏิบัติเลยแสดงว่าพระองค์ก็ไม่รู้จริงสิครับ แต่นี้เนื่องจากพระองค์รู้จริงเลือกสอนนะครับอันนี้พระปัญญานะครับแต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่สอนใครเลยก็ด้วยพระกรุณาแต่เลือกสอนด้วยพระปัญญานะครับยถ้าหากว่าคนเราเนี่ยทั้งอยู่ในลักษณะที่เป็นนิจฉาทิติจนไม่สามารถที่จะโปรดได้เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ในสารที่อยู่รอบๆมีพระรูปหนึ่งที่มาบวชเป็นงูอะไรนะเป็นงูแล้วก็มาบวชพระองค์ก็จัดว่า <c oughs> พวกนาคใช่ไหมนาคที่มาบวชใช่มาบวชแล้วก็พาเขาเขารู้เขาไปบอกพระองค์แล้วก็พระองค์ก็ตัดว่าเพศของเธอนี่ไม่สมควรบรรลุพราะมิจฉาทิฏฐิก็คงแค่ํำนองเดียวกันดครับคือไม่ไม่คู่ควรกับการบรรลุนะครับสอนไปก็ไม่มีประโยชน์คือเหน็ดเหนื่อยเปล่านะครับหมายครับว่าคนที่มีความสามารถจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะทำอะไรในสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้นนะครับ สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ทําเด็ดขาดอย่างที่เขาอย่างคนจะแนะนําใครสักคนเนี่ยคนนั้นต้องถูกแนะนําแล้วฝึกได้เขาจึงจะฝึกนะครับอย่างเหมือนกับพวกอาจารย์ที่ฝึกม้าฝึกช้างเป็นต้นเขาจะต้องคํานวณดูแล้วว่าช้างตัวนี้ฝึกได้ม้าตัวนี้ฝึกได้เขาจึงค่อยฝึกพระพุทธเจ้าผู้ผู้เป็นปุริสธรรมสารถิเนี่ยนะครับพระองค์ใช้ธรรมเทศนาของพระองค์ฝึกเนี่ยนะหมายว่าต้องฝึกคนที่พอฝึกได้เรียกว่าเวนยะบุคคลนะครับ จึงสอนไม่ได้โอโหไปเที่ยวสอนด่ถ้าเที่ยวสอนด่าเนี่ยนะครับก็แสดงว่ารู้ไม่จริงนะครับเนื่องจากรู้จริงเนี่ยจึงแยกแยะแสดงอสอนได้นะครับตรงนี้คงเป็นยานเฉพาะของพระ อ, องค์จริงๆเลยนะครับครับผมเพราะว่าเราเคยอ่านว่าแม้แต่ภาษารีบดเนี่ยท่านก็เที่ยวแสดงทำแก่บุคคลเยอะแยะนกันนะครับแล้วก็เหนื่ยเปล่าจริงๆไม่มีใครบรรลุตามอะไรเลยคนะครับผมก็โดยเฉพาะที่พร ะ, ะกัสสปโคตรรูปหนึ่งนะครับ ท่านไปอยู่ในป่าทีนี้ท่านอยู่ในป่าเนี่ยก็มีในพรานคนหนึ่งเนี่ยนะครับถือห อ, อกเที่ยวทิมทิมเนื้อนะเห็นเนื้อลมั่งอนะ่ะเดินไปก็ถือห อ, อกตามวิ่งจะแทงห อ, อกออจะแทงลมั่งอ่ะนะพระเห็นก็ท่านอยู่ป่าเนี่ยใช้ผราบางสกุลอย่างดีนะ ข, ข้าวา่าดูหน้าเลื่อมใสามากนะในพรานนี่ไปเห็นพระก็เลยยืนดูท่านท่านก็เลยเห็นแล้วก็เลยเทศเลยเทศแนะนาเนี่ยอะไรเรื่องการทำมาหากินนี่แหละ ท่านไม่ควรทําบาปนะอาชีพอื่นก็ยังพอมีล้อฝังกเทศไปทีนี้ไอ้นายพรานนี่เห็นเออองค์นี้เนี่ยขรึมสำรวมอะไรเนี่ยนะก็ยืนดูซะหน่อยพระนี่เห็นว่าเออโยมเขาฟังก็เลยเนรมิตนะครับท่านมีฤทธิ์นี่ท่านก็เลยทําให้ไฟมันสว่างที่นิ้วนายพรานนี่ก็ตาเนี่ยมองดูไฟที่นิ้วหูเนี่ยฟังเสียงแต่ใจเนี่ยนึกถึงไอ้ลมั่งที่มันวิ่งไป นี่นะถ้าหากว่าเราวิ่งไปทันนะเราจะแทงมันแทงมันแล้วก็เนื้อส่วนหนึ่งนะเราจะย่างกินส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาไปฝากลูกฝากหลานฝากครอบครัวที่บ้าน ไ, <ว>าไม่คิดนะแต่ว่านึกอยู่แค่นั้น น, ะนึกอยู่แค่ว่าเออนะเราจะฆ่ามันฆ่ามันเสร็จจะย่างกินกินแะล้วส่วนที่เหลือจะเอาไปฝากครอบครัวก็นึกอยู่อย่างเงี้ยแต่ตาเนี่ยมองดูฤทธิ์ที่พระเนรมิตขึ้นหูเนี่ยฟังเสียงแต่ว่าใจไม่ได้คิดตามธรรมะธรรมะอะไรหรอก เทวดาก็ออกมาบอกเลยนะครับโอยถึงจะท่านเจนเดีรามิตรอีกสิบดวงก็มองไม่เห็นหรอกคนตาบอดนะแสดงทำไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะฉั้นพระท่านก็เลยสังเวชสลดใจท่านก็เลยเลิกเทศนะครับไปบำเพ็ญส ม, มณธรรมคนเดียวจนเป็นพระารหันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโหจะเที่ยวสอนนะก็ถ้าใครแน่จริงนี่ก็เนี่ยเจ้าชายนอนอยู่ตรงนี้นะครับก็ปลุกเรียกมาเทศเลยนะครับเอาวิชาไหนก็ได้นะครับเล่าชาดกเล่าธรรมบทเนี่ยที่นอนๆอนอยู่เนี่ยนะครับ ถ้าเก่งจริงๆผมจะยอมรับเลยว่าโอ้โหฝีมือจริงๆนะครับผมจะพาไปโปรดญาติของมั่ง